พ่อแม่เป็นพระเทพความเชื่อถือของคนโบราณมีว่าโลกนี้มีเทพชื่อนั้นชื่อนั้นเป็นใหญ่คอยกำกับคุ้มครองมนุษย์ไว้เรียกว่าเท้าโลกบาลมีสี่ท่านคือเท้าทตรสประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากูเวณประจำทิศเหนือ ท้าวโลกบาลซึ่งเป็นเทพเจ้าเหล่านี้ทําหน้าที่ปกป้องผ่องัยให้ชาวโลกอย่างไรพ่อแม่ก็มีหน้าที่ปกป้องพ่องัยให้แก่เลือดในอกของตนคือลูกอย่างนั้นและท่านก็ทาเช่นนี้มาก่อนใครทั้งหมดแม้ท้าวโลกบาลทั้งสี่นั้นจะเผลอไผลไปบ้างหรือไม่ยอมปกป้องเราก็ตามแต่พ่อแม่ไม่เคยลืม ไม่เคยเพลอพลายและไม่เคยทอดทิ้งท่านปกป้องเราตลอดมาท่านปกป้องอย่างไรข้อนี้เห็นจะต้องสาธยายกันยาวหน่อยเพราะเป็นเรื่องจริงที่มองเห็นได้แต่เรื่องจริงอย่างนี้นี่แหละที่เรามักจะมองข้ามความสำคัญไปหรือทำเป็นไม่รู้เชยเฉยก็มีเรื่องปกป้องลูกเนี่ย พ่อรู้สึกจะทำได้น้อยกว่าแม่และทำได้ไม่ค่อยสนิทนักเท่าแม่แม่เท่านั้นท่านว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากได้แม่ต้องอดทนอดกลั้นทุกอย่างนับแต่รู้ว่าลูกมาเกิดแล้วเคยทานเผ็ดก็ต้องงดเคยทานร้อนก็ต้องเว้นกลัวลูกจะลำบากเคยกระโดดโลดเต้นก็ต้องหยุด กลัวพลาดพลั้งหกล้มไปจนเป็นอันตรายต่อลูกในท้องจะทำงานหนักก็กลัวว่าจะกระทบกระเทือนสารพัดที่จะกลัวคลอดออกมาแล้วยิ่งไม่ให้ห่างหูห่างตาได้เลยสักนาทีเดียวคอยประครบประงมยิ่งกว่าไข่ในหินเสียอีกชนิดที่เรียกว่ายุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมนั่นเชียวละ ดึกดึกดื่นๆนจะง่วงจะเปลียจะหนาวจะร้อนอย่างไรหากลูกร้องขึ้นมาแม่ก็ต้องสะดุ้งตื่นและก็รีบลุกมาดูลูกหาสาเหตุว่าลูกร้องทำไมลูกพูดไม่ได้สักคำบอกไม่ได้สักนิดว่าเป็นอะไรจึงร้องแม่ก็ต้องเดาเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็สาละวนแก้ไขไปจนกว่าลูกจะหายร้องหากยังไม่หายก็ต้องคอยปลอบคอยเอาใจกันอยู่นั่นแล้วแม้ว่าลูกจะหลับคาอกไปแล้วแต่แม่ก็ยังหาหลับลงได้ไม่แม่ทำให้ลูกยิ่งกว่านี้ปกป้องลูกยิ่งกว่านี้และทำมานับเป็นสิบปีคือตั้งแต่ลูกมีเท้าเท่าฝ้าหอย อย่างที่พูดกันจริงๆพอลูกเติบใหญ่มีวัยอันสมควรแล้วความต้องการของลูกเพิ่มขึ้นทั้งที่จําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นยามหิวพ่อแม่ก็หามาป้อนยามเจ็บไข้ก็พยายามเยียวยารักษายามร้องไห้ก็ใช้อ้อมอกและอ้อมแขนนั่นแหละเป็นเครื่องปลอบประโลมให้หายเศร้าโศก คอยเอาตาดูเอาหูใส่ทั้งในเวลาลูกกินยืนเดินนั่งนอนเล่นไม่ว่าลูกจะไปทางไหนเป็นต้องชำเลืองตามมองตามเสมอกลัวลูกจะพลัดตกหกล้มกลัวลูกจะเป็นอันตรายกลัวจะไปเสียทุกอย่างกว่าจะปกป้องรักษาอาวัยวะต่างๆของลูกให้อยู่ครบมาได้จนโตเนี่ย พ่อแม่ต้องเหนื่อยยากเหลือเกินกว่าลูกจะรอดปากเหยียวปากกามาได้พ่อแม่ต้องลงทุนลงแรงมากเหลือเกินแล้วอย่างนี้จะยังไม่สมควรเรียกท่านว่าพระพรหมได้อย่างไรแต่ก็หน้าประหลาดใจอยู่เหมือนกัน พ่อแม่หน่าหัวงแหนอวัยวะแขนขาของลูกขนาดไหนจะตีลูกสักแปะก็ต้องคิดกลัวลูกจะเจ็บปกป้องมาไม่ให้มีรอยด่างพร้อยม่ให้ถูกขีดข่วนเป็นบาดแผลในร่างกายของลูกแต่ลูกสิกลับนำอวัยวะร่างกายส่วนนั้นๆไปสังเวยหรือรองรับคมมีดคมกระบอง หรือว่าลูกปืนของผู้อื่นโดยง่ายดายเหลือเกินที่เวลาพ่อแม่ตีชอบวยวายร้องไห้ลั่นบ้านแต่ทีไปถูกเข้าตีหรือว่าเตะต่อยมาหน้าตาเขียวปูดทำไมกลับชอบทำทำไมไม่เสียดายอวัยวะที่พ่อแม่อุตสาหปกป้องมาและเลี้ยงดูมาจนเติบโตแข็งแกร่งกันเสียบ้างเลย ทำไมจึงเป็นกันอย่างนี้ก็ไม่รู้น่าประหลาดใจนักมิใช่เฉพาะร่างกายเท่านั้นที่พ่อแม่ปกป้องให้ลูกแม้ชื่อเสียงของลูกพ่อแม่ก็คอยป้องกันไว้ให้เสมอกลัวลูกจะเสียชื่อเสียเสียงกลัวลูกจะไม่ดีเท่าเขาจะดูได้จากเวลามีใครมาด่าว่าลูกของตัวว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ ไปทาเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรือมาว่าลูกแบบเสียเสียหายหายอย่างอื่นพ่อแม่ก็ต้องออกรับแทนลูกก่อนทุกครั้งไปจะปฏิเสธเป็นพลวันทันทีทีเดียวว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ลูกตัวไม่เป็นอย่างนั้นแน่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้สืบสาวราวเรื่องเลยว่าที่เขาพูดนะเทจจริงแค่ไหน แต่ก็ป้องกันชื่อเสียงลูกไว้ก่อนละจะว่าเข้าข้างลูกก็ย่อมได้นี่แหละพระเทพของลูกละจะหาใครที่ไหนทำได้เช่นนี้นอกจากพระในบ้านของเราเองพ่อแม่เป็นพระอาจารย์ อาจารย์คือผู้ดูแลเรื่องจริยามารยาทความประพฤติและการกระทำของสิทธ์พร้อมทั้งเป็นผู้คอยแนะนำชี้แจงสิทธ์ให้รู้จักโลกให้มีหูตากว้างขวางให้มีทัศนวิสัยที่ยาวไกลและประสิทธิประสาทความรู้ความชำนาญให้เครื่องมือพร้อมมูลเพื่อสิทธ์จะได้นำไปใช้ต่อสู้เผชิญชีวิต ในโลกว่างทัดเทียมกับคนอื่นได้บางครั้งเราเรียกท่านว่าอาจารย์เรียกว่าครูหรือเรียกรวมกันว่าครูอาจารย์ก็มีจะเรียกอย่างไรก็หมายถึงผู้ให้ความรู้ผู้ดูแลมารยาททั้งสิ้นหากคนเราปราศจากครูบาอาจารย์อย่างชนิดเป็นสิทธิ์ไม่มีครูแล้วอย่าวังเลยว่า จะมีความก้าวหน้าในชีวิตทัดเทียมเขาได้คนเราจะต้องมีครูอาจารย์คอยให้แบบอย่างไว้สำหรับเรียนหรือลอกไม่ว่าจะเป็นเพียงอาจารย์ชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นอาจารย์ประจาก็ตามดังนั้นคนเราจึงมีครูอาจารย์กันมากมายหลายคนหลายสำนักในจํานวนนั้นพ่อแม่ก็ติดอันดับว่าเป็นครู เป็นอาจารย์ด้วยและเป็นครูอาจารย์ที่อยู่ในอันดับหนึ่งชั้นแนวหน้ากว่าอาจารย์ทั้งหลายโดยเป็นมาก่อนอาจารย์ทั้งหมดทั้งดูเหมือนว่าจะสําคัญกว่าครูอาจารย์อื่นใดด้วยขนาดพอจะยกขึ้นเรียกว่าเป็นพระครูหรือเป็นพระอาจารย์ได้โดยไม่กระดาษปากเพราะท่านเป็นครูอาจารย์ตลอดชีพ สิทธิ์ของพระครูพระอาจารย์หรือพ่อแม่นั้นก็คือเราท่านผู้เป็นลูกนั่นเองหรือพ่อแม่นั้นอาจจะจัดเป็นครูที่ยอดเยี่ยมกว่าครูอื่นทั้งหมดถึงขั้นเป็นพ่อครูและแม่ครูก็ได้เพราะครูธรรมดาก็สอนกันแต่วิชาในหลักสูตรเป็นพื้นแต่พ่อแม่ท่านสอนเราทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร สอนทั้งในแง่ของทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชีวิตจริงทั้งสอนโดยไม่ต้องมีตารางสอนไม่มีเวลาจำกัดว่าจะต้องสอนในชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้เหมือนครูอาจารย์ทั่วๆไปที่สำคัญครูอาจารย์ทั่วไปเขาสอนแบบมีเงินเดือนได้รับผลตอบแทนแต่พ่อครูแม่ครูที่สอนลูกนอกจากจะไม่ได้รับเงินเดือนตอบแทนแล้ว ยังต้องเสียเงินเสียทองให้กับลูกผู้เป็นศิษย์เสียอีกจะหาครูอาจารย์ที่ไหนเหมือนพ่อแม่อีกเล่าเราต้องยอมรับความจริงกันว่าเวลาเราเกิดใหม่ๆนั้นเราอาศัยตัวเองหรือพึ่งตัวเองไม่ได้เลยโลกนี้ช่างมืดมนเสียเหลือเกินสำหรับเราเราไม่รู้อะไรทั้งสิน้นเข้าทํานองที่ว่า ไม่รู้เดียงสานั่นแหละต่อมาเราก็ค่อยรู้อะไรต่อมีอะไรรู้จากโลกดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกว้างไกลออกไปจากตัวเองเรื่อยๆความรู้เดียงสานั้นค่อยๆมาหาเราตามลำดับความรู้เดียงสานั้นพ่อแม่ท่านให้เราเรารับมาจากพ่อแม่เป็นอันดับแรก พ่อแม่สอนเรามาทุกอย่างตั้งแต่เริ่มจำความได้สอนตั้งแต่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องนั่งการขับถ่ายการใช้ผ้าถุงผ้าหม่มไปจนกระทั่งเรื่องสูงสุดคือเรื่องที่ควรทำหรือควรเว้นเรียกว่าท่านสอนให้เราจนกระทั่งเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนกระทั่งเรามีความรู้ทันโลก และทันคนนั่นแหละความจริงการสอนคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆหากไม่รักจริงหรือไม่เมตตาจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากจะสอนกันให้เมื่อยปากดอกแต่สำหรับพ่อแม่แล้วดูเหมือนว่าท่านจะไม่เคยเบื่อหน่ายย่อท้อในการอบรมสั่งสอนลูกของตนเลยทั้งที่ต้องปากเปียกปากแฉะอยู่ทุกวันก็ตาม ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นหน้าที่เท่านั้นหากแต่ท่านทำด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาด้วยความรักด้วยความเอ็นดูต้องการให้ลูกทุกคนเป็นคนดีให้ทำดีหนีชั่วพาตัวให้รอดพ้นจากความลำบากนานาประการในอนาคตให้ได้ หากพ่อแม่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องสั่งสอนอบรมเสอย่างเดียวเราก็คงไม่เห็นทางเดินที่ถูกที่ควรแน่หากเราเลือกเดินทางเองจะเป็นเช่นไรลองนึกวาดภาพหรือว่ามองดูคนที่เขาขาดพ่อขาดแม่หรือคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยเอาใจใส่ดูก็ได้จะเห็นภาพเด็กเกเรเหลือขอไม่มีการศึกษา ด้อยทั้งความคิดด้อยทั้งปัญญามีแต่จะก่อปัญหาให้แก่สังคมท่าเดียวท้ายสุดอนาคตก็จะฝากไว้กับสิ่งเสพติดสารพัดชนิดบรรดามีเช่นสุราบุรีฟินเฮโรอีนซึ่งบรรปลายของชีวิตถ้าไม่จบลงด้วยคุกตารางก็จบลงด้วยคมมีดคมกระสุนปืน หรือไม่งั้นก็ตายทั้งเป็นด้วยความทรมานเพราะว่าลทธ์สิ่งเสพติดเหล่านั้นขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ย่อมมองเห็นลูกเป็นเด็กอยู่ร่ำไปในสายตาแม้ว่าลูกจะโตถึงมีย่อมีเรือนเป็นฝั่งเป็นฟ้าไปแล้วหรือมียศมีศักดิ์มีหน้ามีตาในสังคมไปแล้วก็ตามทีหรือบางทีลูก เป็นครูบาอาจารย์ของคนทั่วเมืองเสด้วยซ้ำไปแต่พ่อแม่ก็ยังมองเห็นเป็นเด็กอยู่ร่ำไปคอยเตือนคอยอบรมลูกอยู่นั่นแล้วระวังเนื้อระวังตัวนะลูกนะลูกเป็นเจ้าคนนายคนแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าทำนะลูกนะสารพัด ท, ที่พ่อแม่จะสรรหามาอบรมลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อแม่ไม่คำนึงหรอกว่าลูกจะโตใหญ่สักปานใดท่านคิดแต่เพียงว่าเป็นลูกของท่านท่านก็ยังห่วงใยอยู่วันยังค่ำและตั้งตัวเป็นพระอาจารย์ของลูกอยู่ร่ำไปคำสอนของพ่อแม่นั้นย่อมมีค่าอยู่เสมอแม้ว่าคำสอนบางคําบางตอนจะออกมาปะปนกับถ้อยคํา ที่ฟังดูหยาบคายและภายใต้สีหน้าอันบึ้งตึงก็ยังจัดเป็นคำสอนอันประเสริฐอยู่นั่นเองเพราะว่าคำสอนนั้นได้กลั่นออกมาจากน้ำใจอันประเสริฐบริสุทธิ์ต่อลูกของท่านกลั่นมาจากความรักความปรารถนาดีที่จะเห็นลูกเป็นคนดีต่อไปในอนาคตกลั่นมาจากความห่วงใ ย, ยในลูกของตน คำพูดที่หยาบคายหรือสีหน้าอันเบื้องตึงนั้นเป็นส่วนประกอบต่างหากเป็นเปลือกนอกที่จะถือเอาเป็นอารมณ์ไม่ได้หากจะพูดอย่างยุติธรรมแล้วเราพูดเป็นลูกนั่นแหละก็มีส่วนที่ทำให้ท่านต้องพูดหรือแสดงสีหน้าเช่นนั้นออกมาลองใคร้ครวนกันดูเถิด ลูกที่พ่อแม่คอยอบรมตักเตือนอยู่เสมอนั้นนับเป็นบุญอย่างล้นเหลือแล้วลูกที่ยังมีพ่อแม่คอยแนะนำหรือคอยเข้มงวดกวดขันอยู่ร่ำไปนั่นแหละต่อไปภายหน้าจะเอาตัวรอดได้เสมอหากสิ้นพ่อแม่เสียแล้วอย่าหวังเลยว่าใครอื่นเขาจะมาคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นกระจกเงา หรือเป็นผู้คอยจำจีจำชัยบอกทางเดินให้เราด้วยความรักอันบริสุทธิ์เหมือนพ่อเหมือนแม่ดังนั้นแม้ว่าคำสอนของท่านจะรุนแรงไปบ้างก็หน้าที่จะได้จดได้จําไว้น้อมรับฟังด้วยความเต็มใจเท่ากับว่าพ่อแม่ได้ฝากคุ้มทรัพย์อันมหาศาลที่จะกินที่จะใช้ไม่มีวันหมด ไว้ให้ดีกว่าท่านมอบมรดกเป็นเงินเป็นทองให้เสียอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจหมดไปเมื่อไรก็ได้ส่วนคำสอนนั้นย่อมมีประโยชน์ใช้ได้ไม่มีวันหมดยังน้อยก็นำไปอบรมลูกหลานของตัวต่อไปได้มีพ่อแม่ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่รู้จะอบรมลูกของตนให้ดีได้อย่างไรมันจนแต้ม จนปัญญาที่จะหาคำสอนมาว่ากล่าวแนะนำลูกได้ที่เป็นดังนี้ก็เพราะตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กเป็นลูกของพ่อแม่นั้นไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนบ้างหรือได้รับการอบรมมาเหมือนกันแต่ไม่เคยสนใจที่จะฟังไม่เคยสนใจที่จะจดจํารับรู้บ้างพอถึงคราวที่จะต้องมาอบรมลูกของตัวเองบ้าง ก็เลยจนแต้มอึดอัดใจด้วยบอกไม่ถูกสอนไม่ได้หนักเข้าก็เลยปล่อยลูกไปตามเรื่องตามราวยกให้เป็นเรื่องของเวรของกรรมไปเลยเป็นเวรกรรมของลูกไปเสียจริงๆ ลูกศิษย์กับพระอาจารย์พ่อแม่มีสถานะเป็นพระอาจารย์ของลูกลูกอยู่ในสถานะเป็นทั้งลูกเป็นทั้งศิษย์ซึ่งรวมเรียกว่าลูกศิษย์หรือเป็นศิษย์ในฐานะเป็นลูกอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์คู่นี้จึงมีอย่างแน่นแฟ้นล้ำลึกและสนิทแน่นกว่าศิษย์กับอาจารย์อื่น เพราะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดปนอยู่ด้วยหรือจะพูดอีกทีก็คือมีเลือดอย่างเดียวกันนั่นเองพ่อแม่นอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำบ้านประจำชีวิตและประจำวันแล้วพ่อแม่ยังหาพอใจเพียงแค่ให้ลูกรู้จักโลกเท่าที่ตนอบรมสั่งสอนเท่านั้นไม่ใจยังกว้างพอที่จะส่งลูก ให้ไปศึกษาหาความรู้จากอาจารย์อื่นให้อาจารย์อื่นช่วยอบรมลูกของตนต่อไปในสิ่งที่ตนไม่อาจจะสอนให้ได้โดยส่งให้เข้าโรงเรียนจนกว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตรหรือจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆพ่อแม่บางคนให้ลูกเรียนในบ้านในเมืองของตนยังไม่พอใจ ยังยอมให้ลูกไปเรียนต่อถึงเมืองนอกแม้จะรักจะห่วงและสิ้นเปลืองอย่างไรก็ยอมให้ลูกไปตัวเองยอมอดนอนคิดถึงลูกรอวันรอคืนที่ลูกจะได้รับความสำเร็จกลับมาให้ชื่นใจนี่คือน้ำใจพระอาจารย์ของลูกละการที่เราต้องเข้าศึกษาเล่าเรียนนั้น พ่อแม่ต้องเป็นคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทำนองเป็นกองหนุนก็ว่าได้เงินทองทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าหนังสือค่าเครื่องแต่งตัวค่าอาหารค่าขนมค่าพาหนะเดินทางทุกอย่างเป็นภารักของพ่อแม่ทั้งนั้นและเงินทองเหล่านั้นแหละพ่อแม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ สู้หน้าดำคลั่มเครียดหามากว่าจะได้มาเป็นค่าอะไรต่อมิอะไรของลูกนั้นท่านต้องลำบากไม่น้อยเลยแต่ความลำบากนั้นพ่อแม่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงนักกรอกขอเพียงอย่างเดียวคือให้ลูกได้ศึกษาให้ลูกได้มีวิชาติดตัวก็พอแล้วขอเพียงให้ลูกทัดหน้าเทียมตาเพื่อนๆ เ, เท่านั้นเป็นพอ ยิ่งรู้ว่าลูกได้ใช้เงินทุนทุกบาททุกสตางค์ให้เป็นประโยชน์ตามที่ตนต้องการด้วยแล้วความเหน็ดเหนื่อยความลำบากลำบนก็จะพลันหายไปเป็นปริดทิ้งกลับได้รับความสบายใจยิ้มร่าต้อนรับลูกเสียด้วยซ้ำไปจริงๆเงินทองเป็นของหายากยิ่งในสมัยนี้ยิ่งหาได้ยากใหญ่แต่เวลาจะใช้นะ เราใช้กันง่ายเหลือเกินตอนที่เราอยู่ในวัยเรียนหนังสือหรือในวัยเด็กนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเงินมันหายากขนาดไหนไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าตอนที่เราแบมือขอพ่อแม่นั้นพ่อแม่จะมีให้หรือไม่มีให้อยากได้เมื่อไร่เป็นแบมือขอพ่อแม่ไม่อาจจะบอกลูกได้เต็มปากว่า ไม่มีหรือไม่ได้มีหรือไม่มีก็ต้องหามาให้ลูกจนได้แม้ว่าจะต้องลงทุนบากหน้าไปหยิบยืมคนอื่นมาให้ลูกก็ตามก็จาต้องทนเอาโดยไม่ปริบปากขออย่างเดียวให้ได้เงินมาให้ลูกตามที่ลูกต้องการเท่านั้นบางครั้งเงินที่พ่อแม่หามาได้ด้วยความลำบากยากแค้นอย่างนี้นั่นแหละ เราพูดเป็นโลกกลับเอาไปใช้ง่ายดายและรวดเร็วเหลือเกินทั้งทั้งที่บางคราวก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นักเรากลับนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่เห็นคุณค่าหรือแบบใจเติบมือเติบหารู้ไม่ว่าเงินค่าดูหนังหนึ่งรอบของเรานั้น บางทีพ่อแม่ต้องใช้เวลาหาตั้งครึ่งค่นวันจึงจะได้มันมาเพื่อให้เราสนุกกันใช้ไปเถิดจ่ายไปเถิดพ่อแม่ไม่ว่าขอให้มีความจําเป็นและตรงจุดประสงค์ที่ท่านต้องการเท่านั้นแม้ว่าจะมากกว่าที่ขอแม้ว่าจะต้องทนลำบากหามามากกว่านั้นสักร้อยเท่า ตัวพ่อแม่ก็พอใจหามาให้ลูกได้มิใช่จะให้ถึงกับไม่ให้ขอเงินจากพ่อแม่มิใช่จะไม่ให้อดอยากปากแห้งหรือมิใช่จะให้อยู่กับย่า่เฝ้ากับเรือนโดยไม่ต้องไปเปิดหูเปิดตากันบ้างหรอกหากถึงคราวจะต้องใช้แล้วก็ใช้ไปเถิดขออย่างเดียวให้ใช้แบบประหยัดและจำเป็นเท่านั้น ว่าลูกจะสำเร็จการศึกษามาได้แต่ละคนพ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนักลำพังท้องของท่านทั้งสองท่านทำงานหาเงินเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็พอเลี้ยงตัวแล้วสองปากสองท้องเท่านั้นจะกระไรกันนักหนาแต่ปากท้องที่คอยอยู่ที่บ้านปากท้องที่อยู่ที่โรงเรียนนี่สิพ่อแม่ต้องหาไว้เผื่อ ต้องทำงานตั้งแต่บ่ายถึงค่ำหากยังไม่พอก็ต้องหาเงินพิเศษทำต่ออีกจากค่ำถึงดึกดด่นเที่ยงคืนแม้ว่าจะต้องทำอย่างนี้ท่านก็ไม่ปริปากอีกจะปริปากบนลำบากบ้างก็ว่าไปตามอารมณ์เหนื่อยแต่ใจจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่บางรายบนไปทำไปก็มี ทุกต้นปีการศึกษาเรามักจะหาดอกไม้ทูปเทียนหาของฝากของที่ระลึกไปไหวครูบูชาอาจารย์กันเป็นทีวแถวแต่อนิจจาพระอาจารย์ทั้งคู่ที่อยู่ที่บ้านเราไม่เคยหันมามองหรือไม่คิดที่จะถือดอกไม้ทูปเทียนมาไหวบูชากันเลยแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันไหวครูประจำปี หากเราท่านในฐานะผู้เป็นลูกและสิทธิ์พร้อมใจพร้อมหน้ากันประคองดอกไม้ทูบเทียนหรือญ้าแพรกข้าวตอกและดอกมะเขือเข้าไปไหว้ท่านพร้อมกล่าวสดุ ด, ดีพระคุณของท่านเหมือนกับที่เรากล่าวในโรงเรียนแล้วภาพนั้นจะงดงามประทับใจผู้ทำผู้เห็นสักเพียงไหน พระทั้งสองของเราจะตื้นตันใจสักเพียงไรเราคงจะเห็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจากดวงตาอันอ่อนโยนของท่านเป็นแน่ถึงเวลาแล้วที่เราผู้เป็นลูกศิษย์จะน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่หลวงของพระอาจารย์และพร้อมกับบูชาคุณท่านแม้จะด้วยเพียงสักการะหรือดอกไม้ทูบเทียน หรือด้วยเพียงนิ้วทั้งสิบและสองมือของเราเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับไหว้ครูสำหรับบูชาอาจารย์ของเราความเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์จะสมบูรณ์แบบได้ก็ต้องเริ่มกันที่ตรงจุดนี้แหละลองเริ่มกันดูทีหรือท่านคงไม่คิดว่าเราทำพิเรนถึงกับยันเราออกมาได้ลงคอรอกหน้า พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วถือกันว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์ก็นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของผู้นั้นเราจึงแสวงหาพระอรหันต์กันทุกหนทุกแห่งถึงกับพอได้ยินข่าวกราวว่าพระองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์ หรือพระอาหารหันต์มีอยู่ที่นั่นที่นี่เราก็จะพากันด้านด้นไปหาแม้ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ลึกลับในหุบในห้วยในป่าไหนตำบลไหนก็ตามแม้ว่าเราจะไม่มีข้อพิสูจน์ได้ท่องแท้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงหรือไม่ก็ตามเราก็ยังต้องการทําบุญกับท่านอยู่ดี พระอาหารหันต์มีคุณานุภาพอย่างนี้และพระอาหารหันต์นั้นท่านจะประกอบด้วยจิตใจที่อ่อนโยนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมุ่งแต่จะอนุเคราะห์มวลพลโลกให้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ให้พ้นจากความยากลำบากและพ้นจากหุบเหวแห่งความเป็นทาตของกิเลสตัณหาเท่านั้นโดยจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีอิสระ เป็นไทยแก่ตัวมีเสรีภาพในหัวใจของตัวเองไม่ต้องดิ้นรนหาเสรีภาพหรือเป็นอิสระจากบุคคลอื่นด้วยวิธีที่กระจายพลังทำให้กว้างขวางออกไปในหมู่ปวงชนให้หมู่ชนได้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรมคำสั่งสอนและให้เดินไปตามมรรคาที่ถูกต้อง ด้วยมีแสงประทีปแห่งธรรมเป็นเครื่องส่องให้เห็นมรคานั้นๆซึ่งการกระทำเช่นนั้นย่อมทำให้เกิดความไม่พอใจแก่คนบางหมู่บางเหล่าแต่ว่าแม้ใครจะด่าว่าข่าแกงท่านจะมุ่งร้ายหมายหัวท่านหรือขัดขวางการกระทาเช่นนั้นของท่านลาวพระอรหันต์ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองในผู้นั้นผู้นั้น จะมีก็แต่เพียงแผ่การุญยาภาพให้เขาเหล่านั้นได้พ้นจากหุบเหวแห่งความอาฆาตพยาบาทมาตร้ายนั้นเสียยอมให้อภัยเขาด้วยประการทั้งปวงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทางกายและน้ำใจของท่านก็ใสสะอาดอย่างนี้มวลมนุษย์จึงได้ขนานนามท่านว่าพระอระหรันต์ คือผู้ห่างเว้นจากกิเลสคือโลภโกรธหลงแล้วและขนานนามว่าอาหุนยญบุคคลคือผู้สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูและสมควรที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาสมควรจะได้รับของบูชานั้นๆจากเราไม่ว่าเราจะนำไปถวายท่านถึงที่อยู่ของท่านหรือ เราจะเตรียมต้อนรับท่านไว้ในบ้านน้ำใจของพระอรหันต์ที่มีต่อปวงชนบริสุทธิ์หมดจดชั้นใดน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็บริสุทธิ์หมดจดชั้นนั้นเพราะฉะนั้น พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอาหารหันต์ของลูกและเป็นพระอาหารหันต์ที่ลูกจะพึงได้พบได้เห็นในปัจจุบันทั้งมีอยู่ในบ้านของตนทุกขณะทุกเวลานั่นเองถ้าพูดถึงคุณความดีหรือความรักลูกความมีน้ำใจต่อลูกความห่วงใ ย, ยในความต้องการให้ลูกได้ดิบได้ดีทัดน้าเทียมตาคนอื่นๆ ความต้องการให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกต้องการให้พ้นจากภัยพิบัตนานาประการแล้วพ่อแม่ย่อมไม่มีแพ้พระอรหันต์ที่มีต่อมวลมนุษย์เลยถ้าจะพูดให้ยิ่งไปกว่านี้ก็อาจจะพูดได้เต็มปากว่าบางครั้งพ่อแม่ยังมีภาษีดีกว่าพระอรหันต์เสียด้วยซ้ำ มีภาษีตรงที่ว่าพ่อแม่ยังมีโอกาสแสดงออกต่อเราผู้เป็นลูกบ่อยครั้งกว่าพระอรหันต์จริงๆซึ่งพระอรหันต์ดังกล่าวนั้นบางทีในชีวิตเรานี้เราไม่เคยได้รับอุปการะคุณจากท่านโดยตรงเลยทั้งนี้เพราะว่าท่านหาได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันหรืออาจจะไม่มีแล้วก็เป็นได้ เราจึงเหลือกันเพียงพระอรหันในบ้านไว้ให้ดูกันต่างหน้าพระอรหันอริยบุคคลคือพ่อกับแม่เท่านั้นพ่อกับแม่นั้นมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อเราผู้เป็นลูกนะักคิดดูเถิดตอนที่เรายังเป็นเด็กเราเคยหยิกเคยควนทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนาน า, นาเพราะไร้เดียงสา ท่านก็ไม่โกรธเคืองกลับยิ้มร่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูเสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้เดียงสาขึ้นแต่ก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่เช่นนั้นแทนที่ฉันจะโกรธ ถ, ถือโทษหรือเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งทนรับทุกเพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตา ยอมเป็นเครื่องรองรับมือเท้าและปากของเราให้อภัยในการกระทำของเราเสมอเพราะท่านกลัวเราจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือมีเวรต่อไปภายหน้าจึงยอมเจ็บยอมทุกข์เสียเอง ท่านเป็นพระอาหารหันต์ของเราจริงๆได้รับการอุปการะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาจนป่านนี้หากจะคิดถึงความสิ้นเปลืองเข้าสุขเข้าสารแกงกับต่างๆผ้านุ่งผ้าห่มเงินทองและความสิ้นเปลืองแรงกายแรงใจของพ่อแม่ที่ท่านได้ทุ่มเทให้เรานั้นย่อมประมาณค่าออกมาเป็นตัวเลข หรือตัวสั ญ, ญลักษณ์ใดๆให้รู้ไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะมันมากมายเสด็จจนเกินกว่าที่จะประมาณหรือประเมินได้ดังนั้นอย่าได้ตีค่าน้ำใจของพระอรหันในบ้านออกมาเป็นเงินเป็นทองกันเลยถึงจะตีให้สูงสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจะถึงหรือทัดเทียมสมน้ำสมเนื้อกับความเป็นจริง ที่ท่านได้ทุ่มเทให้ไว้ทั้งกายและใจหรอกทั้งน้ำใจของท่านก็ไม่ควรจะถูกตีราคาข้างวดเป็นเงินเป็นทองแบบพ่อค้าที่ตีราคาสิ่งของทั้งหลายด้วยไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหวังดีปรารถนาดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ของเราหรอกและไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะเลี้ยงดูเราได้ดีเหมือนท่านด้วยท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เราอยู่ในท้องของท่านแม้ท่านจะไม่รู้ว่าลูกในท้องของท่านนั้นจะเป็นหญิงหรือชายจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะพิกลพิการจะหูหนวกตาบอดจะสมประกอบเหมือนเด็กทั่วไปหรือคลอดออกมาแล้วจะเป็นตาอย่างไร แม้ท่านจะไม่รู้ไม่ทราบแต่ท่านก็ประคับประคองเรามาด้วยดีเกเดือนบ้างสิบเดือนบ้างคลอดออกมาแล้วท่านทั้งสองก็ไม่เคยคิดรังเกียจเราเลยเราจะเป็นหญิงเป็นชายพ่อแม่พอใจทั้งนั้นแม้ท่านจะผิดหวังบ้างในตอนแรกแต่ท่านก็พอใจในตอนหลังเพราะถือว่าเราเป็นลูกบางทีบางครั้ง เกิดมาพิกลพิการพ่อแม่ยังรักอยู่เกิดมาตาบอดท่านก็ยังรักเกิดมาตีนปุกมือปุกแม้ว่าท่านจะใจหายเมื่อแรกเห็นแต่ก็ยังรักเพราะท่านคิดว่านั่นคือสายเลือดและแทนที่ท่านจะทอดทิ้งท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารประครบประงมลูกคนนั้นยิ่งขึ้น ท่านไม่เคยท้อถอยหรือน้อยใจในเราว่ามาเกิดเป็นลูกท่านทำไมท่านรักท่านเลี้ยงดูลูกทุกคนที่มาเกิดกับท่านมาเป็นสายเลือดของท่านแม้ว่าท่านเลี้ยงมาจนโตแล้วภายหลังลูกกลับมาตายเสียหรือไปพบจุดจบเสียด้วยคมมีดและลูกปืนของผู้อื่นก็ตามท่านไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงมาเพื่อให้ตาย หรือเพื่อให้คนอื่นมาฆ่าแบบนั้นพระในบ้านคือพ่อแม่ความเป็นพระในบ้านของพ่อแม่นั้นจะมีสักิลคนที่รู้เพราะเรามักจะมุ่งหากันแต่พระนอกบ้านหากันแต่พระที่ไม่มีลมหายใจ แม้จะต้องซื้อหามาด้วยราคาแพงแม้จะต้องลงทุนลงแรงมากมายกว่าจะได้มาแล้วก็มักจะเฝ้าปลนเปรอหรือบูชาแต่พระนอกบ้านเช่นนั้นเท่านั้นแต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่หรือใกล้ชิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเรากลับมองข้ามไปเสียเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในไวัยไหน ฐานะอย่างไรย่อมเป็นเหมือนกันได้ทุกที่เหมือนกันในข้อที่ไม่รู้จักว่าพระในบ้านคือใครมีเรื่องเล่าการสืบมาว่ามีคุณนายคนหนึ่งเป็นคนใจบุญพอสมควรทีเดียวดูได้จากการตักบาตรทุกเช้าและหลังจากนั้นก็จะถือสำรับกับข้าวที่บรรจงจัดอย่างประนีตแล้วนำไปวัดแห่งหนึ่ง ทางฝั่งพระนครเพื่อถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสเพราะมีความเคารพนับถือในจริยวัดของท่านและชอบฟังท่านคุยหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ฟังเรียกว่ามีเวลาว่างหลังจากตักบาตรตอนเช้าแล้วคุณนายคนนั้นก็ต้องมาที่วัดให้ได้ทุกวัน อาหารที่จัดมาก็ประนีทุกอย่างเพื่อให้สมกับนำมาถวายสมเด็จอยู่คุยกับท่านพอสมควรแล้วก็กราบลากลับทำอยู่เช่นนี้เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วพระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุติของสมเด็จได้กราบเรียนว่าคุณนายคนนี้เป็นคนใจบุญสนทานจริง แต่เคยได้ยินมาว่าเป็นคนใจแคบมีแม่อยู่ที่บ้านด้วยก็ปล่อยให้อดอดอยากยากไม่ค่อยเอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ในห้องแคบแคบที่เรือนคนใช้หลังบ้านส่วนตัวเองพร้อมลูกๆอยู่บนตึกใหญ่สะดวกสบายทุกอย่างเขาว่าตอนอยู่บ้านนั้นพูดจากับแม่ฟังไม่ค่อยได้เลยผิดกับมาพูดอยู่ที่วัดอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ แม่จะเดินออกมาหน้าบ้านบ้างก็ไม่ได้กลัวเขาจะเห็นว่ายังมีคนแก่อยู่ในบ้านอายเขามีคนมาเล่าให้ฟังเช่นนี้หลายรายแล้วแท้จริงอย่างไรไม่ทราบได้ฝ่ายสมเด็จได้ฟังพระว่าก็ไม่พูดกะไรนั่งฟังเฉยอยู่ต่อมาอีกหลายวันท่านไปกิจนิมนต์นอกวัด แล้วก็บังเอิญขากราบต้องผ่านทางบ้านคุณนายด้วยท่านจึงแวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาถึงที่บ้านเพราะไม่เคยมีพระมาที่บ้านเลยในยามปกตินอกจากเวลาทำบุญเท่านั้นจึงถือว่าเป็นนิมิตมงคลอย่างสูงสุดที่พระชั้นสมเด็จมาเหยียบบ้าน จึงเรียกลูกหลานเข้ามากราบไหว้ท่านเป็นการใหญ่ให้ท่านอวยชัยให้พอลูกหลานแล้วชวนท่านคุยเรื่องต่างๆมากมายสมเด็จท่านคุยบ้างถามสุขทุกข์บ้างตามธรรมเนียมตอนหนึ่งสมเด็จท่านถามคุณนายว่าพระในบ้านของคุณนายมีบ้างไหมคุณนายได้ยินเข้าก็รีบตอบว่า พระในบ้านของตนมีมากมายเป็นพระเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุขโขทัยก็มีสมัยเชียงแสนก็มีพร้อมกับพูดอวดใหญ่และชวนสมเด็จขึ้นไปดูที่ห้องพระข้างบนคงไม่มีแผนอะไรสมเด็จท่านทราบว่าคุณนายยังเข้าใจผิดอยู่จึงถามขึ้นอีกว่าได้ทราบว่าคุณนายยังมีแม่ อยู่อีกไม่ใช่หรือเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ซสีที่ไหนล่ะคุณนายได้ยินเข้าถึงกับเสียแป๊บเข้าไปในหัวใจไม่นึกว่าจะถูกจู่โจมด้วยคําถามชนิดฟ้าแลบอย่างนี้จากสมเด็จจะตอบไปตามตรงว่าแม่อยู่หลังบ้านก็กลัวสมเด็จจะเดินไปดูและจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่และท่านก็จะตําหนิเอาได้ ก็เลยอึกอึกอักๆตอบส่งส่งไปว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่ออกไปเยี่ยมญาติคงอีกนานกว่าจะกลับแน่คอยกันท่าไว้เสร็จกลัวว่าสมเด็จจะนั่งคอยพบสมเด็จท่านไม่ต่อความอีกเพราะเริ่มจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว พอสมควรแก่เวลาท่านก็ลากลับหลังจากนั้นก็พบกับคุณนายอีกเป็นประจำเหมือนเคยจนวันหนึ่งท่านเห็นคุณนายยิ้มแย้มแจ่มใสดีพูดคุยรื่นเริงเรื่องการทําบุญสุนทานและยังมีเวลาอีกพอสมควรจะถึงเวลาเพลงท่านจึงถามขึ้นว่าพระในบ้านของโยมโยมดูแลเรียบร้อยแล้วหรือ คุนายก็ตอบอย่างยิ้มย่องด้วยความเข้าใจผิดเช่นเคยว่าเจ้าค่ะอิชันจัดถวายท่านเรียบร้อยทุกวันแหละค่ะก่อนจัดมาถวายท่านอิชันก็ต้องจัดถวายในห้องพระก่อนจุดถูบเทียนบูชาถวายข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้นำมาถวายที่วัดนี่แหละพระเดชพระคุณไม่ต้องห่วงหรอก อิชันทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรอวดสรรพคุณของตัวไปโน่นเลยอัตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะโยมพระในบ้านที่อัตมาพูดถึงนี่หมายถึงพระที่มีลมหายใจคือแม่ปู่มีพระคุณของโยมนะ่ะถึงตอนนี้คุณนายเลยนิ่งเป็นรูปปั้นไปโดยอัตโนมัติส่วนสมเด็จ ท่านก็พูดต่อไปเรื่อยๆคนเรานะ่ะมีพระอยู่ในบ้านกันทุกคนพระที่มีลมหายใจนะี่ะบางคนมีพ่อบางคนเหลือแม่บางคนโชคดีเหลือทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในบ้านนับเป็นบุญมหาศาลใครเหลือเท่าไรก็ควรจะเอาตาดูเอาหูใส่ทนบ้าง ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ปล่อยให้ท่านอดอดอยากๆยากเจ็บไข้ได้ป่วยยังไรก็ดูแลท่านบ้างท่านแก่แล้วท่านกินท่านใช้หมดเปลืองไปสักเท่าไรเชียวใช่ไหมโยมเจ้าข้าใช่จำใจเงยหน้ามองตาสมเด็จแล้วตอบโยมก็เหมือนกันสมเด็จพูดตรงตรงเลยคราวนี้ เรียกว่าหลังจากขึ้นสายมานานแล้วตอนนี้ก็ปล่อยธนูออกไปเลยทีเดียวเพราะท่านทราบดีว่าคนเราบางคนนั้นต้องสอนกันแบบตรงๆจึงจะรู้สึกทราบว่าเหลือแม่อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่โยไม่ค่อยสนใจในความเป็นอยู่ของท่านเท่าไรนักปล่อยให้ท่านอยู่ในห้องแคบๆอับทึบแถบจะไม่มีอากาศหายใจอยู่หลังบ้าน ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วท่านก็เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินทั้งหมดที่โยมอยู่โยมอยู่อย่างสบายแต่ปล่อยให้ท่านลำบากไม่สงสารท่านบ้างหรือตอนนี้คุณนายนิ่งเงียบจริงๆตอบไม่ได้เพราะก้อนสอื่นกำลังแล่นขึ้นมาจุกที่คอโยมจัดอาหารถวายพระในห้องพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองคหนึ่งคือแม่ โยมไม่เคยจัดหาให้และตอนที่จัดหามาให้อัตมาเนี่ยอัตมาสังเกตดูโยมจัดมาอย่างดีทีเดียวทำกอบประณีบัรจงเมื่อก่อนอัตมายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉั้นของโยมไปตามปกติแต่ตอนนี้บอกตามตรงว่ามันเกลือนไม่ค่อยจะลงมาหลายวันแล้วเพราะอัตมารู้ว่าอัตมานี่เป็นพระในวัด ดูจะเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปเลยกลืนใหม่ลงอาตมานะอย่างไรก็ได้พระเราจะเลือกฉันแต่ที่ดีๆไม่ได้โยมลองคิดดูท่านเว้นระยะนิดนึงแล้วพูดต่ออาตมาคิดมาหลายวันแล้วว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีสุดท้ายก็ตกลงใจว่าพูดเพราะเห็นใจแม่ของโยม สงสารโยมแกเพราะว่าผลการกระทำของโยมจะตกแกตัวโยมต่อไปลูกหลานของโยมเองเห็นโยมทำกับแม่เช่นนี้มันก็จะจําอกไปและทำกับโยมบ้างแล้วก็ทำกันต่อๆไปไม่สิ้นสุดสักทีเพราะเห็นว่าแม่ทำได้ยายทำได้เราก็ทำได้เหมือนกัน อาตมาพูดแล้วโยมจะโรจกรธจะเคืองอาตมาก็ตามใจเธออาตมาพูดด้วยความหวังดีต่อยมมยมลองคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันนะยมนะน้ำตาเจ้ากรรมมันพังลงจากทำนบตาของคุณนายเมื่อไรไม่ทราบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล่นเข้าจับหัวใจตามวิสัยของคนผิดที่กลับตัวกลับใจได้ทันเวลา สออื่นพลางกราบลาสมเด็จโดยไม่กล่าวอำลาสักน้อยหนึ่งจะโกรธสมเด็จที่พูดจีใจดําหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่หลังจากนั้นสมเด็จท่านก็ได้ทราบข่าวมาว่าคุณนายเงียบเงาไปไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนและจัดการย้ายห้องแม่ให้ไปอยู่ติดๆกับห้องนอนบนตึกใหญ่ชั้นล่างดูแลปรนนิบัติท่านอย่างดี ไม่ค่อยออกนอกบ้านเหมือนแต่ก่อนและกว่าจะเข้าวัดมาหาสมเด็จอีกทีก็ต่อเมื่อเวลาล่วงเลยไปแล้วหลายเดือนไม่กล้าเข้าหน้าสมเด็จเพราะความละอายแก่ใจนั่นเองสาธุนับเป็นบุญของคุณนายคนนั้นที่ได้พบพระเช่นสมเด็จองค์นั้นเสียก่อนและเป็นบุญยิ่งนักที่กลับเนื้อกลับใจเสียใหม่ได้เมื่ อ, อยังไม่สายเกินไป เวลาที่จะสนองพระคุณแม่นั้นยังพอมีอยู่บ้างแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีผิดกับบางคนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นพระใ น, ในบ้านผู้ประเสริฐก็สายเสียแล้วคือกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วหรือบางคนแม้จะมีผู้พูดกรอกหูให้ฟังอยู่ทุกวันก็ยังไม่รู้สึก ปล่อยให้พระนในบ้านของตนลำบากลำบนอยู่เหมือนเดิมก็แล้วมาถึงตัวท่านบ้างละ่ะขอถามว่าพระนในบ้านของท่านยังสบายดีอยู่หรือ